สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายสบายกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะคะโดยมีดิฉันอ ร, รยาสุวิเศษศักดิ์เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรค่ะจะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเราจะเข้ามาในช่องทางที่จะฟังรายการธรรมะสบายสบายได้ยังไงเจ้าค่ะก็อยากให้ท่านฟังเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ที่เคยได้พูดมาหลายครั้งแล้ว แล้วก็ไม่ได้พูดไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันเผื่อลืมนะเผื่อลืมก็อยากจะให้ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเข้าไปที่เฟ e บุ๊ k คือให้เสิร์ชคำว่า easy thamma ตัวที่สะกดว่า e a s y t h a m m a แล้วก็ตัว e เนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่เหลือเป็นตัวเล็กติดกันทำไม้วต้องมาขายของก่อนเลยไหมเพราะว่ายอดคนดูตกนะ เผื่อว่าเข้าเพราะว่าคำว่าอีซี่ธรรมะเนี่ยมีหลายมีหลายเฟซบุ๊กใช่ใช่มีหลายแบบมีหลายแบบก็เข้าไปอาจจะอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นคำว่าอีซี่กับธรรมะที่มันติดกันนั่นแหละคือคือช่องทางนี้แน่นอนนะเจ้าค่ะเพราะยอดขายตกตกก็ต้องมาทำการตลาดนิดนึงนะ ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าได้ฟังเสียงอ่านของพระอาจารย์สุชาติหรือว่าได้ฟังรายการธรรมะสบายๆนะคะซึ่งเราเน้นที่เรื่องของการปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยมีคำถามก็สามารถที่จะโพสเข้ามาได้ใช่โพสเข้ามาแล้วก็ถ้าตอบได้แล้วก็จะตอบให้ส่วนคำถามมีเนี่ยจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์ไปด้วย เพราะว่า<ช>บางทีเนี่ย<ต>เขาอาจจะสงสัย<ต>อันนี้จะอยูอยงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถามหรือยังไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องถามแต่ก็อยากรู้อยู่อย่างเงี้ยถ้ามีคนถามก็เป็นเรื่องดีที่จะทําให้อ่าเรียกว่าได้แชร์ประสบการณ์กันได้แชร์ความรู้กันก็จะได้ประโยชน์ดีส่วนก่อนที่เราจะ เข้าในเนื้อหารายการเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าสมาธิตามไปด้วยเลยในการที่ก็อย่างที่เคยสอนไปก็คือว่าให้กำหนดดูลมไปด้วยเข้าสมาธิกันฟังธ ร, รมการฟังบรรยายธรรมก็ให้เข้าสมาธิไปด้วยเพราะว่าถ้าเราจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเราก็เหมือนน้าที่เป็นภาชนะที่ รองรับน้ําเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าเป็นภาชนะที่ดีเป็นภาชนะที่ฝาเปิดเวลาธรรมะก็เหมือนน้าที่มันใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเราเปิดฝาไว้ธรรมะมันก็เข้าได้ดีแต่ถ้าเราจิตเราไม่เป็นสมาธิเนี่ยถึงเราจะฟังธรรมะยังไงมันก็เป็นแค่ลมผ่านหูแต่ถ้าเราจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นมีอารมณ์สงบเป็นหนึ่งเนี่ยฟังธรรมไปเนี่ยธรรมะมันถึงจะเข้าไปถึงใจได้พอเข้าไปถึงใจได้ความสงบก็ เป็นผลที่มันจะเกิดขึ้นได้ความปล่อยวางที่ได้จากความเข้าใจก็จะสามารถทำให้เกิดขึ้นมีได้ฉนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูลมตามไปด้วยกาหนดจิตให้มันส ง, งบตามตามไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะไปให้ธรรมะเนี่ยได้เข้าไปถึงในใจของเราได้ค่งั้นวันนี้โยมก็ ขอทําตามท่านผู้ฟังด้วยก็คือกําหนดลมหายใจไปด้วยพร้อมๆกับจัดรายการแล้วก็ถามคําถามกับพระอาจารย์ด้วยด้วยความมีสมาธิไปพร้อมๆกันนะเจ้าคะ่ะคือวันนี้ยังมีคําถามเจ้าคะ่ะอันเนื่องมาจากมีน้องๆที่เขาไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเขาก็ถามคําถามอะไรหลายๆหลายๆอย่างซึ่งผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็อาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะได้คุณธรรมหรือว่าอาจจะคิดว่ามีพระเท่านั้นที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้คุณธรรมสี่ขั้นก็คื อ, อพระโสดาบานันสกิทาคามีพระอนาคามีและก็พระอรหรันต์ก็อยากจะให้วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม บ้างเนี่ยเราจะได้สามารถได้คุณธรรมแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะก่อนอื่นก็อยากจะขอแก้ภาพลักษณซะหน่อยหนึ่งก่อนนะคือตอนเนี้ยภาพของผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีหรือภาพของออการที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าได้มรรคและผลที่เป็นผลอันเลิศที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยภาพลักษณ์อันเนี้ยชาวบ้านทั่วไป หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่มากเจ้าค่ะหมายความว่าพอเราพูดถึงยตัวอย่างว่าพระอรหันต์เป็นต้นนะคนก็จะนึกภาพไว้โอ้โหเลิดหลูมากรังการมากเช่นพระอรหันต์เนี่ยนะต้องมีฤทธิ์บินได้บ้างละแปลงร่างได้มั่งละหรือไม่ก็ต้องมีพลังพิเศษอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย พระทหารก็ยังมีตั้งสี่จำพวกขูจาก็แบ่งไว้ตั้งสี่จำพวกมีสุ ข, ขาวิปัสสโกเตวิโชชลพินโยแล้วก็ปฏิสัมภิภัตโตสี่แบบทีนี้แบบไหนที่มีมากก็คือแบบสุ ข, ขาวิปัสสโกนี่แหละสุ ข, ขาวิปัสสโกก็คือเป็นพูดง่ายคือเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละเดินดินกินข้าวแกงหัวเราะได้ กินข้าวอร่อยเป็นก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่มีทุกข์ใจปราศ จ, จากความทุกข์ใจซึ่งตรงนี้แหละก็คือเป็นผู้ที่เข้าถึงจุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ประทานเอาไว้ก็คือคนนั้นบุคคล น, นั้นปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุผลคือเป็นผู้ที่ไม่มีทุก ผู้ที่กระทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ให้ให้จำแจ้งได้ให้ทําถึง ท, ที่สุดของทุกข์ได้เจ้าค่ะเพราะฉนั้นพระหัรก็คือคนธรรมดานี่แหละที่ไม่มีทุกข์นะเพราะฉะนั้นขอแก้ภาพลักษณ์อันนี้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจตรงกันก่อนว่าพระหัรนนก็คือคนธรรมดาธรรมดานี่แหละอย่าไปคิดว่ามีหูยาวๆหรือสา ม, มารถที่จะบินได้อะไรได้อย่างนี้นะอันนั้นมันก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นในบุญวัสนาบรารมี ที่เขาสั่งสมกันมาแต่ปังก่อนที่ว่าสามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้คือพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะในเรื่อง อ, อิทธิปฏิหารนั่นแหะแต่สิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าเน้นมากกว่าอิติปฏิหารก็คือการที่เรามาฟังคําสอนแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเอาไปละวางปล่อยเว้นกําจัดกิเลสในใจได้อันนี้พระเจ้าสรรเสริญมากกว่าบุคคลที่มีฤทธิ์นะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพระหัตย ก็เป็นบุคคลธรรมดาธรรมดานี่ใช่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้เข้าใจภาพนี้ไว้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจกันเนี่ยภาพของพระหัตเนี่ยนะเหมือนขุ่นยนต์เนี่ยนะไม่ใช่หรอกพระหันถก็กินข้าวอร่อยเป็นนะเพียงแต่ว่าไม่ติดแล้วก็ถ้าไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่เราเนี่ยไม่ได้กินของอร่อยหรืออยากกินในของที่อร่อยแล้วเราไม่ได้กินเนี่ยนะเราก็เป็นทุกข์นะความทุกข<ช>์ตรงนี้แหละ พรัตนไม่มีเพราะพระรัตนวางได้เป็นต้นนะถามว่ากินข้าวข้าวมันก็มีรสมีชาติเนี่ยมันก็รับรู้ไปตามสมมุติของโลกได้ว่ารสชาติอย่างนี้เขาว่าอร่อยมันคืออร่อยนั่นแหละรสชาติอย่างนี้มันไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยแต่มันก็ไม่ได้ไปติดกับความอร่อยและไม่อร่อยแต่รับรู้ได้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อ่า ถ้าเราไปคิดว่าพระหานคือว่าบรรุแล้วจะไม่ไม่ใหญ่ดีไม่มีเยื่อใยอะไรไม่ใช่หรอกมันมันจะกลายเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งอะนะทือท่อๆซือซ่อๆบือบ้อๆไปซึ่งไม่ใช่หรอกพระหันเป็นบุคคลที่ฉลาดมากฉลาดในวาระจิตของตัวเองที่รู้เท่าทันว่าแม้น้อยหนึ่งนิดหนึ่งอะไรที่มันมีโทษกับใจอะไรเป็นเหตุของโทษอันนั้นแล้วก็ละเหตุของโทษอั น, นั้นลงไปได้จึงไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเกิดขึ้นในใจอีกต่อไป เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยพเจ้า ก, ก็วางแนวทางไว้ให้แล้วว่าเรากา็ปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดเนี่ยคื อ, อมีความเห็นถูกต้องเป็นต้นแล้วก็มีความตั้งมั่นของใจเป็นที่สุดพอเราปฏิบัติตามไปได้ตรงนี้นี่ผลที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งถ้ากำจัดกิเลสได้สามตัวแรกมีอะไรบ้าง ท่านท่านก็แบ่งกิเลสเนี่ยมันแบ่งได้หลายหมวดหมู่นะแต่หมวดหมู่แบบหนึ่งที่ท่านแบ่งเอาไว้ก็คือเ้าเรียกว่าสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดหมูสัตว์เนี่ยให้ข้องแวะข้องติดอยู่ในโลกนะก็สังโยชน์เนี่ยก็มีสิบสิบสิบตัวทีนี้สามตัวแรกเนี่ยถ้าใครสามารถที่จะกําจัดลงไปได้เนี่ยพระเจ้าก็ให้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ ถึงกระแสของพระนิพพานก็เลยให้ชื่อว่าเป็นพระสดาบันนะพระสดาบันแปลว่าผู้ตกลงไปในกระแสแล้วถึงพร้อมด้วยกระแสนะ่ะกระแสอะไรก็คือกระแสพระนิพพานเหมือนเราตกลงไปในน้ําำนะถ้าเราปล่อยตัวให้มันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็ลื่นหลังกระแสของน้ําสิ่งที่มันไปปรากฏก็คือมันก็จะไปถึงปากอ่าวอยู่สักวันหนึ่งต้องไปถึงปากอ่าวแน่ต้องไปถึงทะเลแน่ต้องไปถึงมาหาสมุทรแน่ เพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ตกลงไวในกระแสแล้วกระแสของพระนิพพานเพราะฉะนั้นเบื้องหน้าคือพระนิพพานแน่นอนส่วนคุณสมบัติก็คือต้องรักกิเลสให้ได้สามตัวสามตัวนั้นมีอะไรบ้างมีสกายทิทิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลประทับประมาณสกายติทิเนี่ยก็คื อ, อมีคือความเห็นที่มีตัวมีตน มีเรามีเขานี่แหละอันนี้เรียกว่าสกายยัติเห็นว่าอันนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยอันนี้คือการเห็นผิดอย่างหนึ่งแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่เห็นแล้วมีความเห็นถูกต้องว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สัตว์สิ่งนี้ไม่ใช่บุคคลสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่เขาการที่มันเห็นเนี่ยนะก็คือ เข้าใจเห็นก็คือเข้าใจนะท่านใช้คําว่าทิฏฐินะทิฏฐิความเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันเข้าใจเพราะฉะนั้นสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยก็คือใจมันเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นนะเพราะบางทีเราใช้คําว่าเห็นเนี่ยโดยทั่วไปเราก็ไปนึกว่าเอาตาเห็นนะไม่ใช่ก็คือใจเราเนี่ยมีความเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาเพราะฉะนั้นประโสดาบันเนี่ย ใจเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ใจเน้นว่าที่ใจด้วยเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องมาสอนใจเราให้ใจเราเนี่ยให้มันเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเนี่ยกิเลสตัวนี้มันถึงโดนกำจัดไปได้มันคือเหมือนกับเห็นเป็นสิ่งสมมุติอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะทีนี้มันก็จะมีวิธีการ ที่เราจะทำยังไงว่าเราจะเห็นอย่างนั้นได้พระเจ้าก็บอกว่าเราก็ต้องมาพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาได้เนี่ยหนึ่งเราก็ต้องจิตเราเนี่ยต้องมีสมาธิด้วยถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ได้แต่ความคิดปรุงคือเป็นความคิดนะ่แต่ความคิดมันยังลงไปไม่ถึงใจนะ เพราะนั้นเราก็ต้องมีสมาธิเพื่อให้สิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยมันได้ไปสอนที่ใจให้ใจมันได้เข้าใจด้วยแล้วก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เนี่ยนะก็ต้องมีสติด้วยเพราะนั้นมันก็บกย้อนกลับไปตรงที่ว่าเข้าสู่โหมดการปฏิบัติของเราการที่เพิ่งฟังเนี่ยวันนี้เนี่ยฟังรายการไปด้วยไม่ได้ทำสมาธิไปด้วยเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าเราทาสมาธิไปจิตเราก็จะสงบ มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจิตที่มันสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้เนี่ยนะมันจึงจะเอาไปพิจรารณาได้เห็นตามความเป็นจริงมันอ่ามันเป็นเป็นขั้นเป็นขั้นกันนะพระเจ้าก็ตรัสไว้ว่าซี่และปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโคติมหานิสังโซก็หมายความว่าสมาธิเนี่ยอันศีเนี่ยอบรมดีแล้วนี่มีผลมากถ้าแปล ให้มันง่ายนิดหนึ่งก็คือศีลมันเป็นบาดของสมาธินะคือถ้าเรามีศีลที่ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยแน่นอนว่าอ่ามันก็ยังมีเรื่องเร่าร้อนที่มันมากระทบใจอยู่หรืออย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปผิดลูกผิดเมียใครเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องมาให้กลุ่มรุ ม, ร, ม, ร, มรุ่มร้อนอยู่ในจิตอยู่เวลาหลับตาไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังเข้ามารบกวนใจเราอยู่ใจเราก็ยังเป็นสมาธิได้ยาก ต้องขมกันอย่างมากต้องเค้นกันอย่างมากจึงจะละวางเอเรื่องที่มันมากวนใจได้ใช้เวลานานกว่าจะทำให้ใจสงบได้เพราะนั้นถ้าเรามีสีน่นสมบูรณ์เนี่ยเรื่องที่มันจะมาข้องแวะข้องเกี่ยวอยู่ในจิตเราเนี่ยก็จะน้อยแล้วเป็นสมาธิก็จะทำได้ง่ายต้นนะแล้วก็ตัดต่อไปอีกว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโคติมหานิส้างซ่าก็คือปัญญา ที่สมาธิอบรมดีแล้วเนี่ยมีผลมากมีผลใหญ่เพราะฉะนั้นก็เป็นขั้นไปว่าเนี่ยถ้าปัญญามันจะเจริญได้ดีนะก็ต้องมีสมาธิเป็นบาดเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตใจยังว้าวุ่นขุนมัวเนี่ยหมายความว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ยากปัญญาที่เปรียบเป็นมีดมันก็จะไม่ขมกล้าปัญญานี่มันไม่ได้หมายถึงความเข้าใจในตร ก, กะอะไรทั่วไปเหมือนที่เราเรียนหนังสือนะ แต่ปัญญานี่มันคือความเข้าใจที่จิตของเราเนี่ยที่มันที่มันเข้าใจจริงๆที่ใจไม่ใช่ความคิดความผูกเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ากันในความคิดของเราไม่ใช่อันนี้นเป็นความเข้าใจที่จิตจริงๆอันนี้ถึงตุเป็นตัวปัญญาทแท้ๆนะแล้วก็จัดตอบอีกว่าอา่ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสั ม, มเดวะอาสวหิมิมุจจติ จิตอันปัญญาอบรมดีแล้วเนี่ยทําให้ฝนจากอาสวักิเลสทั้งหลายได้นะเพราะนั้นก็เป็นคั้นๆไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องหนึ่งเนี่ยก็ชี้เห็นว่าเราก็ต้องมีศีลที่มันดีก่อนนะแล้วก็เราก็มาฉัดเจริญสมาธิให้ดีเพื่อให้ปัญญาของเราเนี่ยมันเจริญงอกงามได้ดีเพราะเรามีปัญญาที่ดีเห็นได้ตามความเป็นจริงที่จิตของเราเนี่ยเราก็จึงจะไป กิเลสฆ่ากิเลสได้ก็เป็นขันข้นขัเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเจริญปัญญาได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้สมาธิจึงเป็นบาต ท, ที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องอย่างวันนี้ถูกต้องแล้วแหละที่เราเริ่มรายการด้วยการที่เรามาเข้าสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยกําหนดลมหายใจไปด้วยให้จิตเป็นสมาธิมีรวมเป็นหนึ่งแล้วพระเจ้าสอนว่าต้องพิจารณาอะไรล่ะความเป็นจริงอะไรล่ะที่เราต้องมาพิจารณากัน เพื่อที่หนึ่งเราจะละไอสกายาทิฏฐิเนี่ยให้ได้เราก็มาพิจารณาดูว่าผมของเรานี่แหละเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงนันก็ใช้ชื่อว่ า, าตระจะบรจกกรรมฐานก็คือกรรมฐานห้ามีหนังเป็นที่สุดนะะทีนี้เราก็พิจารณาอยู่ห้าอย่างตรงนี้เืยเรื่อยเรื่อยเรื่ ผมของเราเป็นยังไงล่ะเกิดจากหนังศีรษะแล้วมันก็งอกออกมาเป็นเส้นดำๆมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนเป็นสีขาวได้ล่วงหล่นได้แต่โดยมากเนี่ยเราเห็นกันเนี่ยเห็นตามแบบธรรมดาก่อนก็คือว่าเห็นว่ามันสวยเห็นว่ามันงามเห็นว่าโอ้คนนี้ผมสวยนะคนนี้โอ้ทาผมทรงนี้แล้วดีนะเป็นต้นนะทีนี้ ถ้าเราลองพิจารณาตามความเป็นจริงล่ะก็คือปล่อยมันลองปล่อยมันดูปล่อยไว้สามวันห้าวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งโดยที่ตั้งทิ้งไว้ธรรมดานะเป็นยังไงล่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ผมมันก็จะเหนียวเริ่มเหม็ น, เ, นเริ่มโซคโปรกใช่จ้ะผมมันก็จะเริ่มแข็งเป็นสังกะตังอันนี้นะแล้วเราก็เกิดความไม่ยินดีพอใจเกิดขึ้นซึ่งอันนี้นหะ่ะ มันเป็นอะไรที่ของสิ่งเดียวของสิ่งเดิมแต่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ถึงสองอย่างมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมของสิ่งเดียวกันของสิ่งเดิมทำไมเราถึงไม่รู้สึกอย่างนี้แบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดไปทำไมมันมีสองอย่างได้แสดงว่ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นของปลอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นของจริง ไอ้ของปลอมเนี่ยนะคือมันก็ เ, เรียกว่ามันจะไม่เห็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ น, นะอย่างถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยตามธรรมชาติเดิมๆของเขาเนี่ยผมมันก็คือของที่มันไม่สวยงาเป็นของสุกพรกแต่สิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะก็คือเราบทบังความเป็นจริงเอาไว้โดยการที่เราก็ไปเอาน้ํายามา ทำสีทำสีให้สวยๆนะคะแล้วก็มีแบบว่ามีเราก็ต้องสาะผมทุกวันอยู่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องไม่สกปรกแน่นอนแล้วก็น้ายาก็เอาใส่น้ำหอมลงไปเยอะๆให้มันมีกลิ่นอย่างที่เราสมมติว่ากลิ่นอย่างเนี้ยเราพอใจใช่จ้าค่ะนี่เหมือนกันหลอกหลอกตัวเองไหมเจ้าคะก็โลกมนุษย์มันเป็นโลกของการหลอกลวงอยู่แล้วนะของไม่สวยก็หลอกว่าสวยอย่างงี้นะเป็นต้น ทีนี้เราพิจารณาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเตือนตัวเองไว้มันเป็นการเตือนเตือนเตือน <ๆ S 1> จิตเราเนี่ยแหละว่าอย่าเราเห็นว่าสวยก็จริงแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาไม่มาพิจารณาอย่างนี้เลยเนี่ยความหลงที่มว่ามันเป็นจริงอย่างนี้สวยอย่างนี้เนี่ยจิตมันก็จะเห็นอย่างนี้อย่างทุกครั้งไม่มีเวลาที่มันจะลืมตาอ้าปากมาได้เลยว่าเออความเป็นจริงมันคือความไม่สวยนะคือได้ติดเบรกให้มันบ้างเนี่ยว่าไอ อย่าไปดูถึงความหลอกลวงอย่างเดียวนะดูความเป็นจริงบ้างเป็นต้นพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพิจารณาอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเรามาพิจารณาได้บ่อยมากเท่าไหร่เนี่ยใจเราก็จะ เ, เห็นถึงความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงที่มันเห็นเนี่ยนะมันมีอำนาจอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันจะทำลายของปลอมได้ทำลายของปลอมยังไงก็คือว่าถึงมันจะยังสวยยังไงถึงมันจะยังดียังไงเนี่ย แต่เราใจเราจะไม่ผูกมันแหละใจเรามันไม่ไปยึดมันแหละใจเราเห็นได้ตามความเป็นจริงแล้วว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเลยนะเราก็จะไม่ไปคล้องแวะคล้องเกี่ยวเจาะแจะอะไรกับมันมากแล้วล่ะก็ทำไปตามเท่าที่มันควรจะเป็นอย่างคนที่อย่างผู้หญิงเนี่ยก็ยังต้องไปทำงานก็ยังต้องเข้าสังคมเพราะนั้นก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องตามปกตินั่นแหละ ต้อง<ต>มีรัาต้องมีใดผมด้วยนะคะใดผมทําเป็นทรงนู้นทรงนี้ให้สวยงามพงเพียงแต่ว่าเราก็ทําไปตามหน้าที่ที่ควรจะต้องทําแต่ใจเราก็ไม่ได้แบบโอ้ยวันนี้ฉันเลิอดฉันสวยฉันดีฉันอย่างนี้แหละเราเราก็จะไม่มีอาการนี้มากเท่าที่ควรเราก็ก็มีหน้าที่ต้องทําแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องไปทํางานเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานแน่นอนก็ไม่มีตังค์ไม่มีปัจจัยสี่เพราะไม่มีปัจจัยสี่เราก็อยู่ลําบาก อันนี้เฉพาะผมนะคนเล็บฟันหนังต่างๆนี่เหมือนกันโดยเฉพาะคนเราที่ติดกันมากนี่คือหนังนี่แหละนะถ้าเราแหวะหนังออกมาเนะั้นเราจะเห็นถึงความเป็นจริ ง, จ ร, งจริงของเราจริงๆเลยว่ามันคือเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นหนังอะนะมันก็เหมือนเป็นถุงถุงดำอะถุงดำถุงขยะนะมันเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ของเน่ามีน้อน มีสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เราไม่เคยพอใจเลยอยู่ในนั้นนะนะพอเราเปิดหนังออกมาก็เหมือนเราเปิดถุงดำออกมานะโอ้ยเท่านั้นแหละจริงจะว่าคนนี้เรารักเราชอบพอดีใจที่ได้อยู่ด้วยพอเปิดหนังออกมานี่นะให้กอดก็ไม่กล้ากอดให้นอนด้วยก็ไม่กล้านอนด้วยจะให้หอมแก่ก็ไม่กล้าลนะโอ้โหมีแต่แบบน้ำหนองน้ำเหลือง เลือดไหลยเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเขาดีจริงเปิดหนังออกมาเนี่ยเราก็ต้องได้ความรู้สึกว่าเขาสวยเหมือนเดิมเขาหล่อเหมือนเดิมแต่แค่เอาหนังออกเท่านั้นแหละความไม่สวยไม่งามก็ประจักษ์ต่อนหน้าเราแล้วประจักษ์ในที่ใจเราแล้วพิจานาอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยจนแต่มันก็ยังต้องใช้เวลานะเหมือนตอนเราพมนาม ไปเนี่ยนะวนาไปภวนาไปแรกๆมันก็อาศัยนึกเอานะอาศัยสอนมันบ่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยที่มันเข้าใจเนี่ยมันไปปรากฏจแจ้งอยู่ที่ใจจริงๆว่าโอ้ความไม่สวยไม่งามเลยนะมันเป็นอย่างงี้จริงๆแล้วมันไม่มีวินาทีไหนเลยนะที่เราจะสามารถรู้มันได้เห็นมันได้ถ้าเราไม่ได้มาพิจารณ า, าตามคาที่พเจ้าว่าไว มันหลอกเราแม้แต่เสี้ยวหนึ่งในพันหนึ่งในหมืน่นหนึ่งในแสนวินาทีนะมันก็ปิดบังเราได้หมดมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นซึ้งเข้าไปในใจใจเราเห็นได้ตามความเป็นจริงเลยว่านี่แหละคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายเราร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันเป็นอย่างงี้เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเนี่ยเอารวบรัดตัดความเลยว่า เอาโยนเข้าไปในเตาเผาไม่ว่าหมาก็ดีแมวก็ดีคนก็ดีโยนเข้าเตาเผามันก็เหลือกองขี้เถ้านั่นแหละส่วนที่มันแข็งๆนะมันก็เป็นกระดูกเห็น่หแล้วก็เขาเรียกว่าเถามันก็เหมือนเป็นฐานนะนะไอ้ส่วนที่มันเป็นนิ่มๆเป็นเนื้อเป็นเลือดอย่างเงี้ยเลือดมันก็ละเหยไปไอ้ส่วนนี้เป็นเนื้อก็เป็นขี้เถ้าไปไอ้ส่วนที่มันเป็นกระดูกเนี่ย เราก็เอามาบดบดให้ดีสุดท้ายมันก็เหลือเป็นกองทีศเท่านี่แหละเอาไปสลัดขึ้นฟา้ามันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่มันว่าเป็นตัวเป็นตนเหลืออยู่เลยนะให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวหรือว่าเป็นตึกรามบ้านช่องก็ตามไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่อยู่ดีๆมันก็เอาอะไรมาประกอบกันก็ไม่รู้แหละแล้วเราก็ไปสมมุติว่าถ้ามีหัวนะมีแขนสองข้างนะ เดินตัวตรงๆได้นี่เราเรียกสมมุติว่าเป็นคนคุยภาษาอย่างนี้อันนี้คนไทยคุยภาษ า, านี้เรียกคนฝรั่งคุยภาษ า, านี้เป็นคนแขกเป็นคนอินเดียมันเลือกสม ม, มุติกันทางนั้นนะลองอถ้าเป็นหมาเอาหมามามายืนตรงๆอย่างนี้บางทีเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นคนก็ได้นะถ้าจับยืนคงยืนได้เพราะฉะนั้นเรา พอใจเราเห็นอย่างนี้ได้ใจเราเข้าใจได้เนี่ยเรามันก็จะไปปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ที่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเท่ากันหมดเป็นกองที่เท่าเท่ากันเพราะนั้นที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมุติกัน่นั้นแหละเป็นเรื่องที่ไม่มีคนจริงไม่มีสัตว์จริงไม่มีเราไม่มีเขาจริงๆแต่ เราก็ไม่ได้ว่าแอนตี้สมมุตินะก็คือสมมุติที่มันมีว่าเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเนี่ยเราก็อยู่บนโลกสมมุติแล้วก็ใช้ไปแต่ให้ใจเรามันเห็นจริงๆว่ า, าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีขเขานี่แหละแค่นี้ใจระวังได้นี่กิเลสตัวนี้มันก็จะตายไปจากใจเราตายไปจากใจเราได้พราะมันตายไปจากใจเราได้เนี่ย เราก็จะเขาเรียกว่าไม่มีความสงสัยนะความเครียดแคลงสงสัยในธรรมะของพระเจ้าพระเจ้ามีไหมธรรมะมีไหมพระสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีไหมเนี่ยเราก็จะไม่สงสัยแล้ว พ, พระธรรมดีจริงไหมก็ไม่สงสัยเหตุของฝ่ายดีเหตุของฝ่ายไม่ดีที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงไหมเราก็ไม่สงสัย วิจิกิจชาคือความเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยผลที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยมันก็ค่าไปได้เหมือนกันนะแล้วก็ศีลปฏิปรปรมาเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่เราจะผิดศีลเพื่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันจักใจเนี่ยว่าถ้าเรามีศีลสิ่งที่มันจะมารบกวนจิตใจเราเนี่ยมันก็น้อยลงถ้าเรายัง ถ้าเรายังผิดศีลเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะแต่ถ้ารักษาศีลให้ดีวัดปฏิบัติอะไรที่พระเจ้าว่ามันดีเราก็ทําสิ่งที่ท่านห้ามเราก็ไม่ทําโอ้จิตใ จ, ววจเราก็เจริญก้าวหนาเพราะฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้อย่างเช่นอะคราว่าก็เป็นศีลห้าคนที่ต้องการที่จะให้มันเข้มข้นขึ้นก็รักษาศีลอุโบสถคือศีล8ปดะนะ อาสัมเณีก็เป็นศินสิถ้าเป็นพระก็เป็น227คือพูดง่ายเนี่ยคือพระวินัยมันก็ต่างกันตามเพศของแต่ละคนแต่ละคนที่ที่มีหน้าที่ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันเท่ากันคือธรรมะที่ทุกคนจะปฏิบัติได้ทำได้ได้เหมือนกันแล้วผลของการปฏิบัติธรรมะก็จะเท่ากันไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือสัมมณีหรือพระ ก็ตามเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เท่ากันทั้งนั้นเจ้าค่ะอย่างนี้แสดงว่าปุถุชนทั่วไปถ้าเป็นผู้ปฏิบัติถ้าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นไปตามพุทธดำรัรของพระพุทธเจ้าก็คือถ้าใครได้เป็นพระโสดาบันก็คือละสังโยชน์ได้สามสามตัวสตัวคือสักกายะทิถิวิจิกิจฉาก็คือความ เคล็ดสงสัยนะคะแล้วก็ศีลป์พระตัปธระมาั่นคือการการปฏิบัติให้ศีลห้าข้อที่เราถืออยู่เนี่ยให้ครบก็คือวัดปฏิบัติเนี่ยแล้วก็คือเคลียรว่าไม่ลูบลูบค่ำนะหมายความว่าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งดีที่เราถ้าเราปฏิบัติเคร่งครัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีจริงๆไม่มีโทษไม่มีทุกข์มีแต่ประโยชน์นะนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เรามา อมีเพศที่มันต่างกาันหมายความว่าคนนี้เป็นคารวะคนนี้เป็นพระเนี่ยก็เพื่อให้การดํารงการเป็นอยู่เนี่ยมันมันเหมาะสมอันนี้ก็ท่านก็จึงกําหนดพระวินัยขึ้นมาเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ได้อย่างาเหมาะสมกับกับฐานะกับความเป็นอยู่ของตนของตนเพราะว่าอย่างคารวะเนี่ยเมื่อถือแบบพระเนี่ยก็มันก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอามัน พอมาถือแบบพระเนี่ยมันก็ปฏิบัติหาอยู่หา ก, กินแบบฆราวาสลําบากเพราะฉะนั้นฆราวาสเนี่ยพระเจ้า ก, ก็เลยกําหนดไว้แค่สี่ห้ก็พอจะได้อยู่ได้อย่างสบายแต่พระไปอยู่แบบสีล5อย่างเดียวเนี่ยมันก็ย่อหย่อนนะ <c oughs> ความเพียรอะไรมันก็ลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องพระวินัยแล้วเนี่ยก็คือให้มันเหมาะสมกับตามฐานะตามความเป็นอยู่ตามเรียกตามเพศของตนของตนไปส่วนธรรมะเนี่ยก็เป็นที่ว่า ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเนี่ยอันนี้คือความเสมอเท่ากันปฏิบัติได้เท่ากันแล้วก็ทําให้สามารถถึงที่สุดของทุกข์ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคราวาร่ามีศีลห้าหรือคนที่รักษาศีลอุโบสถหรือจะเป็นสัมมาเนรศีล ส, สิบหรือว่าเป็นพระสองรยิเจ็ดเนี่ยถ้าคนใดปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแปดได้เนี่ยผู้นั้นก็สามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้เจ้าค่ะ เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าพระอรหันต์นี่คือไม่มีทุกข์ในใจใช่แต่แม้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมคือละสังโยชน์ได้สามตัวอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาและก็สีละพัตตาปรามาทเนี่ยเราก็ถือว่าอยู่ในเราได้คุณธรรมขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันก็แสดงว่าเราเนี่ยมีทุกข์ในใจลด น, ลน้อยลงกว่าคนปกติ ท, ที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้คุณธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้อ ง, องความสามารถของคนปฏิบัติธรรมคือทุกข์ที่มีในใจเนี่ยน้อยลงคือมีศักยภาพในการที่ทําให้ทุกน้อยลงได้กับใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าประสสดาบันเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดอาวุธให้ตัวเองได้มีอาวุธที่มันติดกับตัวได้อ่าใช้ง่ายใช้คล่องแต่ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยอาวุธก็ยังต้องไปจับจ่าย ใช้แล้วหมดไปอย่างนี้เป็นต้นนะ่ค่ะเพราะนั้นศักยภาพของพระสดับพันก็คือเป็นผู้ที่กำจัดทุกขเป็นผู้มีทุก์เบาบางได้ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเพราะเรามีความเห็นคือท่านใช้ว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะคือมีความเห็นถูกแล้วพอมันมีความเห็นถูกเนี่ยมันจึงปฏิบัติตนได้ถูกว่าทาอย่างไรเราจรึงไม่ทุกทาอย่างไรเราจรึงจะละเหตุของความทุกข์ พอเราเห็นถูกแล้วก็พอเห็นถูกมันก็ปฏิบัติถูกคิดถูกพูดถูกมันก็ไปเรื่อยตามเรื่องของมันนแหละเพราะว่ามันเหมือนเข็มทิศที่มันตั้งไว้ถูกทางแล้วเนี่ยมันก็จะไปตามทางที่มันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิศ ก, ก็คือว่ามีความเห็นที่มันถูกต้องตามแนวและตามแนวที่เราจะพ้นทุกข์แล้วละแล้วก็มุ่งหน้ามุง่งทําความเพียรเข้าไปทีนี้สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะก็คือ จะต้องอเขาเรียกว่าผู้ที่เป็นศรัทธาบัณฑ์นะะท่านใช้คําว่าเป็นผู้มีศรัทธาที่เขาเรียกว่าอัจฉริศรัทธาก็คือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยไม่หวั่นไหวแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพอศรัทธาอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยอวิริยะคือความเพียรทีนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบมากมายเลยเพราะว่าศรัทธาที่มันเห็นว่ามันดีจริงๆเนี่ยมันทําให้เราต้องขวนขวายมาเราเห็นว่า ตรงเนี้ยนะทำเงินได้มากนะแล้วก็รีบรบีรีบไปขนขวายรีบไปทําแล้วก็ให้ไม่ได้กำไรมากเนีน่ยนะพราะเจดผามือนกันนะพราะศรัทธามันมากเห็นเห็นผลแล้วเนี่ยก็จะรีบมากรีบขนขวายมากมีความ<บ>าเพียร <บา S 2> ใช่มีความเพียรที่มันมากขึ้นแล้วล่ะพอมีความเพียรมากเพียรอะไรก็เพียรยให้สติมันเกิดสติเกิดที่จะรู้ที่จะรู้เท่าทันจิตของเรามีสมาธิมีความตั้งมั่นของใจ มีสติมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาคือพิจารณาบ่อยๆนี่แหละให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้มันลึกซึ้งละเอียดลงไปว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเหตุของทุกข์แล้วที่อย่างเมื่อสักครู่ที่เราพิจารณากันไปเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยก็ลองถามตัวเองว่าแล้วตัวอะไรละ่ะที่มันทําให้เราเห็นว่าอันนี้เป็นสัตว์อันนี้บุคคลอันนี้เป็นตัวตนอันนี้เป็นเราเป็นเขาอ่านก็จะมีเป็นตัวละเอียดลงไปอีก ค่อยๆเห็นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นลงไปว่าตัวไหนเนี่ยที่มันให้เราเห็นผิดคิดผิดทำผิดอยู่แก้ตรงนั้นไปแก้ตรงนั้นไปสุดท้ายพอมันแก้ได้หมดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะเป็นผู้ที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วถ้ามันไม่สืนตามความเป็นจริงได้เราก็ไม่มีทุกข์ือร้อนในใจของเรานะบางท่านเถอดก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะ ที่ได้รับฟังไปหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยน้อยลงว่าความเป็นพระโสดาบันเราเป็นคนธรรมดานี่แหละถือศีลห้านี่แหละแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติและได้คุณธรรมที่เรียกว่าพระโสดาบันคุณธรรมขั้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไม่จริงๆแล้วยอมว่ามันไม่ยากมากสำหรับผู้ถือศีลหล้าแล้วก็ผู้ที่อยู่ในสังคมที่จะท คืออย่างน้อยเนี่ยรักษาสินห้าให้เข้มข้นหน่อยไม่ถึงกับเป๊ะมากแต่ว่าก็ถือว่าอพยายามนึกถึงสินห้าแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ขาดตกบกพร่องใช่ทีนี้ขของอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอย่างว่าเวลาเราอันนี้มันเป็นผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะหมายความว่าเรามีความทุกข์น้อยลงเราปฏิบัติตัวที่มันได้ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเหตุอะไรเป็นเหตุ ข, ของทุกข์แล้วเราก็ละมันได้ใช่นะอ่าแต่ผลเนี่ยที่มันเกิดขึ้น ในหลังจากที่เราหมดอัตภาพตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็ <_ S 1> คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ไปตกในอบายเลยอบาย <_ S 1> มีอะไร <_ S 1> บ้าง <_ S 1> มีสัตว์เดรัจฉานมีสัตว์นรกมีเปรตมีสุรกายเหล่านี้คือเราจะไม่ไปเกิดในอบายเหล่านั้นเลยไปเกิดในภพภูมิมีมนุษย์มีสวรรค์มีพรมโลกเป็นต้นแล้วคุณสมบัติของการที่เป็นประสบการณเนี่ยก็คือว่าภพชาติเนี่ยมันจะ ที่เราจะต้องมาวินว่ายตายเกิดมีทุกข์อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีจํากัดแล้วเขาเรียกว่าวัดวัดตะวนที่มันวนไปไม่มีสิ้นสุดเนี่ยมันก็ได้ถูกตัดลงไปว่าสั้นลงเขาเรียกว่ามันถ้ามันเหมือนกระด้งเนี่ยที่ว่ามันก็วนไปอยู่อย่างนั้นมันหาต้นหาปลายไม่ได้นะค่ะแต่ถ้าพระสวดาบันคือตัดชึบมันเห็นรอยแล้วล่ะว่าตรงเนี้ยรอยคือต้นรอยคือที่สุดนะนะถ้าพระสวดาบันเนี่ย ถ้าเป็นแบบว่าพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะก็คือต้องเกิดอีก7็ครั้งเป็นมนุษย์อีก7็ดครั้งนะเจ็ดครั้งนี่หมายถึงว่าเป็นมนุษย์เจดครั้ง อ, อ๋อเป็นมนุษย์เจ็ครั้ง<ช>แม้ว่าจากมนุษย์ไปแล้วถึงจะไปเกิดในในพรหมโลกก็ตามก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์อีกนั่นคือนับเจ็ดใช่ <7 S 1> เจ็ป็นมนุษย์เจ็ดครั้งนะแต่ถ้าดีหน่อยหมายความว่ามีอินทรีย์ที่มันแกลกแกลกกล้าขึ้นนะนะตอนที่เป็นมนุษย์บำเพ็ญไปมากขึ้นอีกเนี่ยก็ อย่า ง, างที่ต้องเกิด7ครั้งเนี่ยท่านให้ชื่อว่าสตักขตุป aram ะ, ะแบบสตาก็เจ็ะนะทว่าเกิด7 <ะ>ครั้งะนะแล้วก็ถ้าเข้มค้นขึ้นมาอีกมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาอีกก็เขาเรียกว่าเป็นโกลังโกละเกิดแค่2ครั้ง3ครั้งเนี่ยก็จะบรรลุอรหันต์ได้แล้วว่าแก่กล้าขึ้นไปอีกก็เป็นเอกพิชีก็คือมาเกิดมาเกิดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละ แล้วก็จะบรรลุอรหันต์ในชาตินั้น น, นะะทีนี้ก็เป็นผลของการที่เราละกิเลสเนี่ยได้สามตัวก็ทําให้พบชาติที่เราจะต้องมาวนเวียนวีนไหวาตายเกิดเนี่ยมารับทุกข์ทุกข์จากการเกิดจากการแก่จากการตายจากการโศกเศร้าเสียใจรําพันที่อกชกตัวได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้หรือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้เป็นต้นเหล่านี้เนี่ย มันก็จะมีจํานวนครั้งที่จะจํากัดลงซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะใช่จ้าค่ะความสุขในระดับที่เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยคือครองทั่วทั้งมห ah าอ่าทั่วทั้งทวีปเนี่ยคือพื้นที่นะ่ะหมายความว่าตอนตกก็จดมหาสมุทรตอนออกก็จดมหาสมุทรทิศเหนือก็จดมหาสมุทรทิศใต้ก็จดมหาสมุทรเนี่ยก็พูดง่ายคือพูดทํานองเหมือนเป็น ผู้คลองโรคคลองโรคอะไรประมาณนี้เลยนะความสุขระดับขนาดนั้นเนี่ยยังสู้ความเป็นพระสวดาบันไม่ได้นะเพราะว่าความเป็นพระสวดาบันเนี่ยคือเป็นผู้ที่รู้วิธีที่เกณฑจัดทุกได้แต่ควรเป็นระดับพระราชาจากักรพรรดิเนี่ยนะก็ยังเป็นผู้มีทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นพระสวดาบันเนี่ยจึงประเสริฐกว่าเลิศกว่าการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกแม้แต่ว่าหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่มันน่าจะมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาอาจจะยังมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วการเกิดมาเราก็มีความแก่ความตายตามมาด้วยนั่นแหละคือทุกข์คือคือถ้าบอกว่าความถ้าเราพูดถึงเศรษฐีนะทุกคนก็จะคิดว่าเศรษฐีเนี่ยดีเขาสบายสบา ย, บายได้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้แต่ทีนี้เราลองดูสิว่าเศรษฐีนะไม่มีความทุกข์เรื่อง เรื่องอาการกินการนอนหมายความว่าได้กินในของที่ดีที่ชาวโลกเขาสมมติว่ามันดีนะได้นอนในในที่ที่มันดีที่เขาสมมติว่าเออแบบนี้ดีไม่ร้อนไปไม่หนาวไปเป็นต้นนะต่างกับชาวบ้านธรรมดานี่บางทีก็อด อ, อ, อยากบ้างได้กินมั่งไม่ได้กินมั่งหรื อ, อได้กินในของที่คิดว่ามันไม่ดีเท่าที่ควรก็มี อันนี้เป็นความสุขที่เราเนี่ย ค, คิดว่าโอ้คนเป็นเศษทีนี่มันดีนะพระราชาจากักรพรรดิเนี่ยก็เป็นความสุขประมาณนี้แหละแต่มันมากกว่าแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกนะกินวันนี้อย่างเนี้ยดีแล้วละ่ะถูกใจมากแต่กินมันอีกสักสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งนะมันก็เบื่อนะแล้วอันนี้มันก็จะไม่ตอบสนองความความสุขเราได้อีกต่อไปนะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีก ทีนี้เปลี่ยนไปมันก็จะไปวกอยู่ที่ว่าอยากได้แล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นะเจ้าค่ะเปลี่ยนไปแล้วไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์อีกอยากได้ไอ้นี่แล้วก็ไม่มีคนที่จะมาสนองให้ได้ว่าเอออนี้มันจะมาหาเราอย่างเช่นเหมือนกับว่าติาว๋วไปรักใครสักคนหนึ่งนี่นะแล้วก็เขาก็ไม่รักเรานะจะไปฉุดกล้ามายัางไงเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีนะมันเป็นทุกข์หนึ่งกันนะ ไม่ว่าจะเป็นพระราช า, าหากษัตริย์เป็นเศรษฐีกุฎุมพียังไงก็แล้วแต่นี่อยากได้แล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์นะทุกข์อันนี้มันก็เสมอกันไม่ว่าจะเป็นของพระราช า, าหากษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีหรือว่ า, าทาทกรรมกรเหมือนกันอยากได้แล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพียงแต่ว่าทุกข์ในระดับที่มันละเอียดประณีตไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง แต่มันเป็นทุกลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือพระราชมกษัตริย์หรือท่ากรรมกรก็มีทุกในแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละแต่พระโสดาบันทท่านั้นแหละที่รู้ว่าวิธีที่จะไม่ทุกแบบนี้ได้เนี่ยเป็นยังไงเพราะ น, นั้นจึงประเสริฐกว่านะเป็นผู้ที่รู้ทางรู้วิธีที่จะไม่ให้ทุกเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับใจของตนได้เจ้าค่ะ แล้วพระโสดาบันเนี่ยไม่ว่าจะจะเป็นแบบไหนก็ตามในสามแบบที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ น, น, นะคะไม่ว่าจะเกิดเจ็ดครั้งเกิดสามสี่ครั้งหรือว่าเกิดอีกแค่ครั้งเดียวในมนุษย์เนี่ยแต่เออแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความทุกข์น้อยน้อยกว่าบุคคลธรรมดาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยถึงจะไปเกิดในภูมิมนุษย์เนี่ยก็ยังยังเกิดมาเพื่อที่จะ ไปฏิบัติทำต่อแล้วก็สร้างคุณงามความดีต่อไปเพื่อถูกตอ้องใช่ไหมจ๊ะพ่อถูกตอ้กตองเพราะมันเหมือนอย่างที่ว่าไปเมื่อตอนต้นเนี่ยคือท่านใช้คําว่าโสดาบันเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือเป็นผู้ที่ถึงกระแสของพระนิพพานแล้วคือมุ่งหน้าไปสู่พระนิพพานอย่างเดียวไม่ว่าจะเกิดตอนไหนตอนไหนเนี่ยก็คือมีจิตใจที่มันมุ่งมั่นที่จะไปสู่กระบวนการที่ทําให้ถึงพระนิพพานให้ได้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดมาแล้วก็จําของเก่าไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จิตที่มันมีความใฝ่ที่จะไปพันิพานเนี่ยมันมันมันมีอยู่ตลอดมันจะคอยผลักดันเราไปให้ไปในเส้นทางเนี้ยไม่ไปเส้นทางอื่นแล้วละ่ะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของจิตผู้ที่เป็นพระสุนทรัณฑ์เหือนกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีรายละเอียดบางอย่างที่อาจจะยังไม่ได้พูดไปหรื อ, อพูดบกไปวนมาจนไม่รู้เรื่องบ้างอย่างนี้นะก็ทําให้ ฟังเนี่ยก็อาจจะงงๆบ้างเบึ้งๆบ้างไปนะเจะา้าค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาเลยหรือว่าไม่เคยฟังที่ครูบาอาจารย์เทศในเรื่องพวกนี้ก็ตามนะคะแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนก็แล้วการให้ให้หันมาปฏิบัติธรรมลองมาดูซิว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราทําตามอย่างเนี้ยอย่างพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ย จะได้อย่างนี้จริงไหมก็มอลองมาปฏิบัติธรรมกันดูแล้วก็อย่าไปคิดว่าเป็นเป็นประสวดบาบัลเนี่ยทํายากเจ้าค่ะก็คือก็ทําอย่างที่ที่เรารู้กันน่ยมหัศมาธิหน่อยหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาอย่างที่ว่าไปก็คือพิจารณมันเห็นเนี่ย ว, ว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาให้มันเห็นที่ใจเราคำแค่นี้เองแล้วพระอะระสวดบาบัลก็ไม่ใช่แบบเป็นซูปเปอร์ฮีโร่อะไรที่ว่า เป็นคนแปลกพิสดารอะไรเป็นคนที่เข้าใจความเป็นจริงแค่ น, นั้นเองถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงได้เรามุ่งมั่นมีความเพียรแล้วก็ไม่ลดละที่เราจะทำเหตุให้เราเข้าใจทำความเป็นจริงได้เนี่ยเรามีคุณสมบัติที่จะเป็นวัสดาบัณได้ทุกคนนะถ้าทำได้ค่ะก็ะจะเหลือแค่อย่างมากแค่เจครั้งที่ต้องมาเกิดในภูมนุษย์เพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมัน บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะเจ้าค่ะในการในรูปแบบการใช้ชีวิตที่ของแต่ละคนที่มันต่างกันแต่ว่าจริงๆอย่างที่พระอาจารย์บอกคือถ้าได้คุณธรรมขั้นแรกก็คือพระโสดาบันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในสังคมของเราในวงญาติพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักของเรารอบๆตัวได้ด้วยการยอมรับแล้วก็ ม, มีทุกข์ที่น้อยล ง, ก, งกับสิ่ทงที่เราเจออยู่ทุกวันทุกวันถูกต้องถูกต้อง ขอแค่ว่าเป็นคนไม่มีทุกเนี่ยเขาจะให้ชื่ออะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละจ ะ, จะให้ชื่อว่าเป็นหูยาวแต่เราเขาให้ชื่อว่าเราหูยาวแต่เราไม่มีทุกนี่เราก็ไปได้นะเจ้าค่ะ <c oughs> ก็เชิญชวนมาปฏิบัติธรรมก็แล้วกันสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่บางคนก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะเรื่องแบบนี้แต่บางคนที่อาจจะเป็นคนใหมย่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ลองมาปฏิบัติกันดูว่า เราจะสามารถเป็นผู้ถึงกระแสหรือว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิคือความเป็นพระโสดาบันคุณธรรมขั้นแรกเท่านั้นในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในส่วนคุณธรรมอีกสามขั้นก็คือพระสะกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ก็จะมาบอกเล่าถึงคุณสมบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เราได้คุณธรรมนั้นๆในครั้งต่อๆไปนะจ้าคะ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมะสบายๆแล้วนะคะ กราบมหัสการพระอาจารย์สุชาติอพิชาโตแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันท่านฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นพร